วันนี้เป็นวันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสิเ็ดตรงกับวันแรมสี่คําเดือนหกวันนี้เรามาพูดกันถึงการปฏิบัติธรรมะ เป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิต ท, ทุกชีวิต ท, ทีเดียวชีวิตของเรานั้นถือว่ามีค่ามีราคามากแต่คนเราส่วนมากไม่เคยสนใจเรื่องชีวิตจริงๆแต่ไปสนใจเรื่องเงินเรื่องนด บารรดาศักดิ์บางคนถึงกับเอาชีวิตไปแลกเอาเงินหรือนุษบาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นจึ่งว่าไม่เข้าใจเรื่องชีวิตจริงๆเมื่อมาพิจารณาถึงเหตุผลทางชีวิตแล้วทุกคนควรศึกษาและ ควรสนใจกันจริงๆเรื่องชีวิตเพราะว่าไม่มีใครที่ไหนซื้อขายชีวิตกันได้มีเงินมากจากร้อยล้านพันล้านซื้อก็ไม่ได้เรียนหนังสือจบปริยายเอกด็อกเตอร์นะจากสิปริยายเอกก็ ซื้อไม่ได้เอามาแลกเอาชีวิตไม่ได้แม้เรียนทางธรรมะจบประโยคเก้าแล้วก็เอามาทำแลกชีวิตของเราไม่ได้นี่จึงว่าชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นมีค่ามากที่สุดแต่ทาไมจึงไม่สนใจเรื่องชีวิตจึงไปสนใจเรื่องเงิน เรื่องทองเรื่องซื้อเสียงเสียดยดบางคนถึงกับไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคกับชีวิตถ้าหากเราไม่เข้าใจแต่เมื่อเรามาศึกษาเรื่องชีวิตจริงๆกันเส็แล้ววา่าชีวิตนี้ความตายอยู่เบื้องหน้าหรือ ในขณะนี้ก็ได้ท่านคนเฒ่าคนแก่ปู่ยา้าตายายเคยเล่าไว้ว่าการเกิดเป็นคนแสนยากเมื่อเกิดมาแล้วอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นคนอย่าให้ความตายมาถึงข้าวถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาทีเดียวพูดกันไว้อย่างนี้แต่ว่าเรายังมีการปราถนาอ้อนวอนขอร้องแต่ทุกคนส่วนมากตัวผมเองก็เช่นเดียวกันเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็พูดไปว่าการทำบุญ บาทเนื่องก็ตามสองบาทร้อยพันเท่าใดกก็ตามสาธนาเอาสวรรค์เอานิพานอยู่เบื้องหน้าแต่ในขณะปัจจุบันนี้ไม่เอาเพราะควมไม่รู้นี่เองดังนั้นคนโบานราณจึงสอนเอาไว้ว่าวัตตะสงสารยืนยาวนานสำหรับ คนผู้ที่ไม่รู้ทำกลางวันนานคำ่ำกลางคืนนานแจ้งสำหรับบุคคลผู้ที่เจ็บ่ข้ได้ป่วยนอนไม่หลับเพราะนอนไม่หลับเนี่ยมันก่อนานคำ่ำนานแจ้งถ้าเป็นกลางคืนนอนไม่หลับก็บปันได้ะจะแจ้งขึ้นมาเนอะถ้าเป็นกลางวันก็ ปานไดจะค้ามาหนอะคอยอยู่เจานั้นควมจริงแล้วมีสิบสองชั่วโมงเหมือนกันทางยาวไกลสําหรับบุคคลผู้ที่เดินทางเมื่อลาและหาของหนักอีกด้วยปานไดจะถึงที่พักที่บ้านของเราสมมุติเอาอย่างที่เราไปไหนมาไหนก็ตาม บ้านเราทางประมาณเพียง10กิโลหรือ20กิโลถ้าเหนื่อยหาบของหนักก็เหมือนกับ100กิโลโน้นแต่ความจริงก็เท่าเดิมสมมุติเอาอย่างที่บ้านหาแดนของเรากับบ้านบุหฮมเหล่านี้เดินไปความจริงระยะทางเพียง4กิโลว่าอย่างนั้นเนี่ หาท้องหนักเดินทางเมื่อลรก็นานหอดนานถึงเหมือนทางมันยืดยาวออกไปอันนี้สำหรับคนผู้ที่ไม่รู้ธรรมไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นิพพานว่ามันอยู่เบื้องหน้าดังนั้นคนจึงตาดนะเอาความสุขเพียงแต่ความนึกคิดความคาดฝันเท่านั้นจึงไม่รู้ของจริง เมื่อมาปฏิบัติธรรมะที่ผมทําก็เรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิก็ไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วนึหลายครูหลายอาจารย์พูดสอนกันมาเรื่องนี้ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไหนก็รู้จุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันว่ายังไง จะปฏิบัติพุทโธธรรมโมอลหังพองยุกนับหนึ่งสองสามต่อตามเข้าถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดเช่นเดียวกันเพราะนิตรใจจริตไม่เหมือนกันว่าอย่างไงแต่สำหรับผมไม่ตินอย่างนั้นผมเคยทำได้ทำพุทโธหายใจเข้าพุท หายใจออกโทนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในหัวใจอันนี้ก็วิธีที่ผมได้ทำมาแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะยังไม่มีปัญญาหรือว่ายานปัญญายังไม่เกิดขึ้นจากนั้นผมก็มาทำสัมมา阿าขังนับหนึ่งสองสหายใจเข้าพองหายใจออกยุคหรือหายใจเข้า ลมหยาบลมละเอียดอันนี้เคยได้ทํามาลมสั้นยาวเนี่ยอย่างนี้เคยได้ทํามาหรือว่าได้ทํามามากพอสมควรก็ยังไม่เข้าใจไม่ทราบซึ้งเพราะจิตใจมันไม่รับรู้หรือชีวิตของตัวเองนี่แหละ ย, ยังไม่เปิดประตูมันมืดตื้ออยู่ภายใ น, ใน จ, ใจิตใจเพราะมันปิดประตูไว้เนี่ย ดังนั้นการเปิดอบรมวิปัสนากรรมฐานหรือเปิดอบรมวิปัสนาภาวนาก็มีหลายคนเปิดทุกที่ทุกทางคําว่าเปิดก็หมายถึงไขของที่ปิดไว้เปิดออกมาให้คนเห็นหรือว่าของที่คว่ำหงายขึ้นให้คนมองเห็นได้ ก็เรียก่าเปิดเช่นเดียวกันคือไม่ต้องปิดบังทิศทิของใครของเราไม่ต้องปิดบังความเห็นความรู้ความเข้าใจของใครของเราพูดควาจริงก็ต้องพูดเอานกเอาเรื่องที่ตัวประสบพบเห็นได้ศึกษาและปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องพูดควาจริงดังนั้นเรียกว่าตัจะคือของจริง อันนี้จริงโดยบุคคลผมเข้าใจอย่างนี้แต่วิธีทำนั้นก็ต้องนั่งแต่ไม่ต้องหลับตาอันนี้มีวิธีทำนั่งเทียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้นี่ทำความรู้สึกทิกมือขึ้น แต่ใครจะถนัดเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาไม่เหมือนกันคนมีกำลังหรือแหงบ้านผมเรียกว่าแหงซ้ายแหงขวาถ้าเรามีกำลังแรงเบื้องขวาก็คลิกมือขวาตะแคงขึ้นทำสัตต า, า, าให้รู้สึกไม่ใช่ว่าคลิกมือขวาอันนั้นมากเกินไปเพียงแค่ว่าให้รู้สึกเท่นั้นเองคลิกมือขึ้นให้รู้สึก หยุดไว้ยกมือคลื่นให้รู้ตึกให้มันหยุดก่อนถ้า่มันหยุดมันไหวไปให้รู้คึ้่นครึ่นตัวนี่ให้มันรู้แล้วเอามาที่สะดืออันนี้มีจังหวะซ้ายขวาเป็นหกจังหวะเวลาเอามือออกมา ข้ซ้ายขวารวมกันเข้ามีแต่จังหวะอันหนึ่งเป็นจังหวะเป็นจังหวะคล้ายคายคือกันกับที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ครเคยกล่าวไว้ว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งตียืนก็ให้มีสติรู้เดิน ก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปรู้ท่านว่าเรียกว่าเจริญสติและท่านยังแนะนำให้ว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอรียบบทย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเดกตามตท่านว่าให้มีสติอันนี้ก็เพียงรู้ อันนั้นเดว่าสติคำว่าสติกับความรู้นี่คล้ายคล้ายกันพอที่จะอบรมมองเห็นได้ผู้ที่มีปัญญาอันนี้เมื่อทำอย่างนี้แหละเวลาลุกเึ้ื่อนมีเจ็ดจังหวะวิธีลุกเวลานั่งลงมีแปดจังหวะวิธีนั่ง แต่วิธีนอนตกแคงซ้ายตกแคงขวาหรือนอนหงายลุกทางซ้ายลุกทางขวาลุกทางหงายอันนั้นก็มีจังหวะเช่นเดีเยวกันหรือจังหวะกาบเราเคยกาบเดินจังคระดิ์อันนั้นก็ดีแล้วที่ครูบาอาจารย์สอนมานั้นดีแต่เมื่อผมมาเข้าใจ เขาว่าเบจังค้าประดิษฐ์หมายถึงห้าจังหวะอย่างนั้นแล้วก็เมื่อรู้จักอย่างนี้ก็ยกมือไหว้ตัวเองไหว้ตัวเองก็มีห้าจังหวะเช่นเดียวกันในเป็นอย่างนั้นจึงว่าของดีมีในตนทุกคนจึงจะสมกับที่กูบาอาจารย์สอนว่าหรือพระพุทธเจ้าสอนว่า ตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้พึ่งไม่ได้ต ำ, ำรับตาลาก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้เพราะการกระทำเรื่องนี้จ่วยชีวิตเนี่ยมีค่ามากที่สุดจึงได้ยกมือไหว้ตัวเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณดีความงามในตัวของเราเกิดขึ้นเดียวยิานปัญญาหรือว่า วิปาาัสนาญาณคำว่าวิปัสนาญาณนี่มันเป็นซื้อเท่านั้นเองตัวรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาจริงแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื Mäd ่อรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมตอนนี้ตอนต่างเก่าล่วงภาวะเดิม แต่ก่อนไม่รู้ผมเรื่องลูกเรื่องน้ำแต่รู้ตําลาแต่จิตใจมันยังมืดมันยังไม่เปิดมันยังไม่รับพอดีมาทําอย่างนี้แหละไม่นานผมทํารู้ตอนเช้าเรื่องลูกเรื่องน้ำรูปทำน้ำทำลูกโลกน้ำโลกลูกโลกน้ำโลกมีสองอย่างโลกทางเนื้อหนัง โลกทางจิตใจเมื่อรู้อันนี้ก็รู้ทุกของอนนังอันิจจังอนัตตาแต่สาหรับตารานั้นเรียนมาแต่ไม่ทราบซึงเมื่อรู้ทุกของอนนังอันิจจังอนัตตาก็จบทุ่นแล้วก็รู้สมมุติขึ้นมาทันทีที่ว่าสมมุติจะมีมากสมมุติเงินทองเสื้อผ้าไรนาล้วสวนหรือว่า ผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารครูเหล่านี้เป็นสมมุติขึ้นมาจริงจิจริงว่ามีสมมุติบัญญัติมีปรมั ต, บญญตมาบัญญัติมีอัชชาบัญญัติและมีอริยบัญญัติสมมุติจึงมีมากสมมุติผีสมมุติเทวดาแต่สมมุติมันก็จริงจรงโดยสมมุติบางอย่างบางอย่าง สมมติจริงโดยปรมัดเนี่ยแต่ปรมัดก็สมมุติพูดขึ้นมาอว่าอัดฐานเปรวลึกยากบุคคลที่จะรู้เพราะมันมองข้ามตัวเองไปอริยบัญญัติเป็นอริยบุคคลแล้วก็ทูกสมมุติขึ้นมาพูดกันเท่านั้นเองเมื่อรู้จักอย่างนี้ผมก็เลยรู้เห็นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งคืว่ารู้จัก รู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เรื่องศาสนากับพุทธศาสนาโดยมากคนแยกศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามฮินดูเหล่านี้แหละหรือศาสนามันมีหลายคำว่าศาสนาศาสนา ท่ว่าแปล ว, ว, ปว่าทรงไว้หรือธรรมะก็แปลว่าทรงไว้ศาสนาก็แปลว่าคำสั่งสอนธรรมะก็ว่าแปลว่าคำสั่งสอนเนีย่ยมันมากวันนี้พุทธศาสนาบันพุทธศาสนานพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ธรรมผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมจะรู้ธรรมจริ ง, รรงๆธรรมะนะเจ้า มีอยู่ในคนหรือคือตัวคนรรนั่นแหละธรรมะนะว่าเห็นคนใจดีเขาเรียกพระธรรมใจดีคือพระธรรมเห็นคนใดโกรธหน้าขยะขยะเลยใจร้ายคือผีหรือเหมือนผีแต่เราพูดได้แต่เราไม่รู้จักคำพูดเหล่านี้มันลึกลับซับซ้อนดังนั้นจึงว่า อาศัยการกระทำการพูดนั้นไม่สําคัญที่ผมพูดทิฏฐิของผมได้ปฏิบัติมาทิฏฐิผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าสัมมาทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมพูดพูดเป็นเรื่องทิฏฐิใครจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมันเป็นธรรมดาทิฏฐิจึงแปลความเห็นเมื่อประกอบด้วยโมหะ โลภะโทสะก็เรียกเป็นมิจฉาทิฐิทิฐิแล้วความเห็นเมื่อประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิคือความเห็นให้ถูกต้องเอย่างนั้นเมื่อรู้พุทธศาสนาก็รู้บากรู้บุญเห็น เข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งล้นจริงเป็นอารมณ์อันนี้เบื้องต้นที่สุดรู้อันนี้แต่ะตอนเช้าผมรู้อย่างนี้ซึ่งผมไม่วาดไหวไม่กลัวใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องทิดษีของคนนั้นทิดทีของเราเนี่ยเราต้องยืนหยัดว่าเสื่อมั่น ใ, alloy, ในการกระทาของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ก็เลยเข้าใจเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้รู้ถึงบาปบุญแล้วเกิดความรู้สนิดหนึ่งเกิดปีติความพอใจปีติจึงเป็นอุปัสรรคว่าปีติความยินดีปีติความพอใจปีติเรียกว่ามีในคนทุกคน อันนี้บางคนก็มีปีติได้ยังเกิดก็มีบางคนเกิดแล้วจึงมีปีติก็มีมันซักให้เราหนีจากลูกนามีเองเมื่อตอนเย็นมาผมจึงรู้มันเป็นวิปัสสนูความรู้แบบนี้มันแก้ไขปัญหาการขัดแยง้งภายในใจิตใจตัวเองไม่ได้เป็นตั้งแต่เช้าจนตกเย็นผมเป็น ผมไม่เคยรู้ผมคิดทีแรกมันรู้อันความรู้เรื่องรูปนามเนี่ยไม่ใส่เห็นผมคิดมันรู้คิดอันนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นที่สุดเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ที่ผมพูดนี่ผมพูดด้วยคิดทีแบบ น, นี้เมื่อมารู้ผมคิดจึงว่าให้รู้สึกตัวอย่าให้หนีออกจากตัวเพราะมันมีความรู้เรื่องอื่นแปลกแปลขึ้นมาข้อตา่าง เรามาทําความรู้ตึกตัวความคิดความรู้แล้วจะหายไปทันทีอันนี้ท่านสอนว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนีโลดทําให้แจ้งทันวาอย่างนั้นทุกต้องกําหนดรู้ทุกจึงมีสองอย่างทุกการเคลื่อนการไหวพลิดตาหายใจอ้าปากนี่ก็เป็นทุก วันนี้ทุกนึกทุกคิดก็เป็นทุกจึงว่าทุกมีสองอย่างทุกจ่กําหนดรู้กําหนดพิรูกเป็นวัตถุสมุทัยต้องละตัวสมุทัยก็เป็นตัวนึกตัวคิดนั่นเองจิงวสมุทัยทําให้ทุกเกิดครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็เคยสอนมาจะเป็นคําพูดคําเตือนของพระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้า แต่ว่ารับรองได้ว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ลึกลับเดียว่าเส้นขนบังภูเขาขนตาบังเราเพียงขนตาเล็กๆบังตัวเราไม่ให้มองเห็นถึงจิตถึงใจได้บัดนี้ผมมาทำความรู้สึกตัวมันคิดก็รู้บัดนี้มันไม่คิดเราก็รู้นี่ว่ามักต้องจะเจริญ นี่โนดทําให้แจ้งทําวิธีอื่นไม่รู้ผมทําแต่คนอื่นอาจจะรู้ผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องคนอื่นและผมก็ไม่รับรองเรื่องวิธีคนอื่นผมรับรองเรื่องข่มรู้สึกตัวการทําการพูดการคิดให้รู้สึกตัวเมื่อรู้อันนี้แหละก็เลยเข้าใจทราบซึ่งเรื่องปรามัดขึ้นมา เพราะความรู้มันหายไปแล้ว ม, มีแต่ความออความรู้บบ น, นี้มันเห็นการเห็นแจ้งชัดขึ้นมาภายใ น, ในใจิตใจความรู้อันที่มันรู้ออกนอกตัวเราไปรู้นอกตัวไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันรู้ก็เลยหายไปมีแต่ความรู้สึกการเคลื่อนการไหวมันคิดมารู้สึกอันนี้นี่เองก็เลยรู้เห็น เข้าใจเรียกว่าปัญญาสันนิษณ์นี้ลึกเข้าไปแล้วนี่ไม่เหมือนปัญญาที่รู้ลูกนาเห็นรู้เข้าใจอันนี้เรียกว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงคาว่าวัตถุปรลามัตอาการไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังครูบาอาจารย์ก็ไม่กระสิบหูเลย พอแม่ก็ไม่กระสิทธิ์หูเลยให้ทานรักษาศีลมาไม่กระสิทิ์หูเลยเรื่องนี้ เ, เห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนแน่แนอยู่กับสิ่งนี้เดียวอะรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสั้นที่สองเข้ามาก็าได้หรือเป็นอีกสั้นหนึ่งก็ว่าได้เมื่อเห็นอันนี้แหละ เกณขึ้นมาแล้ววัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกปรามตทก็หมายถึงเราสัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราอาการเรีวยกว่ามีความเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและบัด น, นี้รูกที่เป็นวัตถุนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นรู้อย่างนี้เข้าใจเรื่องโทสะโมหะโลภะเห็นรู้เข้าใจอดอันนี้แหละมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณสิ่งแปลว่ารู้ ไม่ชสวิญญาณตายแล้วล้องลอยไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งวิญญาณที่ผมพูดนี้วิญญาณแปลว่าเข้าไปรู้นรกเป็นญาณปัญญาก็ว่าได้เมื่อรู้อันนี้แหละผมเดินกลับไปกลับมาทำความรู้สึกตัว น, น้ำหนักตัวของผมเอง ร้อยกิโลเบาขึ้นทันทีเลยอย่างน้อยที่สุดหกสิบกิโลครับถ้าพูดเต็มตามอัตราที่ผมเห็นเป็นมีในขณะที่ผมสัมผัสอยู่ถึงกับปัจจุบันนี้เองแปดสิบกิโลไปแล้วคมหนักอกหนักใจไปแล้วเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แสดงขึ้นมาภายในใจิตใจอ้อเราเป็นพระได้แล้วเนี่ยคว่าพระแบบนี้นั้นไม่ได้หมายถึงการโกนผมตัดเล็บนุ่งเหลืองห่มเหลืองพระแบบนี้นั่นแหละที่เราแสวงหาพระจรึงแปลผู้ป่ะเสริพระจรึงแปลผู้สอนคนเนี่ยเดียเข้าใจอย่างนี้ประเสริดมากที่สุด คุณดีความงามความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้ผมเกิด ค, ความเข้าใจอย่างนี้พอดีเป็นอย่างนี้ใจมันเบามีความสว่างเห็นใจมันเห็นใจมันลุกเป็นทางไปแต่ไม่ใช่เป็นทางอย่างที่ทางรถยนต์นี่นะครับแต่มันเป็นทางไปแต่ใจมันเป็นใจมันเห็นใจมันรู้ ทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นบบบ น, นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันเกิดตีตีอีกตีตีตัวเนื้อแรงกว่าที่ทีแรกมันดีใจมันใจดีทีแรกมันดีใจแจ๊ใจดีไม่ค่อยมีอันนี้มีทางดีใจและมีทางใจดีมีสองอย่างนะที่พูดนี้ ให้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้พอดีปฏิบัติอย่างนี้ในขณะเดียวกันนั้นผมพูดตามทิกธิความเห็นความเข้าใจจิตใจผมเปลี่ยนสองพักพอดีเปลี่ยนพักนี้ก็เห็นกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่กิเลสเราไม่เคยรู้ว่ากิเลสเป็นอุปสรรคต่อชีวิต ผมเลยเลิกบุหรี่ผ ม, เ น, เ, นงงมเนื่อเป็นของสดสวยงดงามเรือเป็นของดีถือว่าชีวิตของเราต้องการอย่างนั้นคนจึงถึงเอากับชีวิตเป็นแลกเอาเงินหรือซื้อเสียงเกียรติยศคนเราต้องการเงินเอาชีวิตไปแลกกับเงิน ยอมเสียตลาดเพื่อเงินไม่เป็นอย่างนั้นคิดว่าไม่ควรที่จะคิดอย่างนั้นผมเองก็เคยคิดเหมือนกันอยากได้เงินมากมาบัดนี้เงินทองดีแต่ยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องชีวิตชีวิตจึงเป็นสุขไม่เป็นทุกข์คนไม่เป็นทุกข์ทำการทำงานอะไรได้ทุกอย่าง ดังนั้นพระอริยบุคคลแบบที่ผมพูดนี่ไม่ยกเว้นใครจะคือศาสนาไหนนุ่งผ้าเสื้ออะไรก็ตามจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเด็กผู้ใหญ่ไม่ยกเว้นใครทั้งหมดมีแล้วในคนทุกคนจึงกล้ารับรองว่าจะพูดอย่างนี้และแนะนำวิธีนี้ เพราะตัวเองได้สัมผัสอย่างนี้และกระทําอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เคยสอนคนมาแล้วเป็นจำนวนหลายสิบคนถ้าหากพูดตามอัตราควมเห็นอันนี้สอนคนมาอย่างน้อยผมคิดว่าผมได้ทําให้ชีวิตของคนพ้นไปจากความทุกข์จำนวนจากร้อยคนหรืออาจจะถึงพันคนก็ได้ ผมได้ทำธุระหน้าที่อันนี้เองที่ว่าให้รู้จักความเป็นคนคนเกิดกับ คนมันต้องเป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแก่จิตใจไม่ใช่ค น, นผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆบังบนี้ศึกษาและปฏิบัติอย่างนี้แนบะความรู้สิทอันนี้เนยคนหมายถึงบุคคลผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นบุคคลแบบนี้ถ้าหากคนรู้อันนี้เป็นพระเรียบุคคล ถ้าหกพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเดียวเป็นพระอดียสงฆ์คนผู้ที่มีปัญญาแก้ปัญหาการขัดแย้งภา ย, นายในจิตใจตัวเองได้จึงว่าเรียกว่าเป็นคนนี่เข้าใจอย่างนี้เลยมีคนกระจ่างแจ้งขึ้นภา ย, นายในจิตใจเรื่องของค น, เ, นเรื่องของคนมันมีดีมีชั่วสุบูลีบ้าง ดุนสุลาบ้างเล่นการพ น, นันบ้างถือว่าอันนั้นเป็นกิจสาคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องการอาหารดีๆต้องการเงินทองเสื้อผ้าดีๆถึงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นกิจที่จาเป็นเนี่นเข้าใจอย่างนี้บัดนี้เมื่อมาเข้าใจอย่างนี้เรื่องอาหารการกินก็ยังไม่จำเป็นบุรีสุลา เที่ยวกลางคืนไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเรื่องเหล่านี้แม้ที่สุดเงินทองที่เราต้องการเอาชีวิตเข้าไปแลกเอาก็ไม่จำเป็นเพราะชีวิตเนี่ยมันจึงมีค่า ม, มากที่สุดผมเข้าใจอย่างนี้จริงว่ารู้จักเรื่องของคนมันทำไปอย่างนั้นเนี่ยแต่เรามารู้จักความเป็นคนเรื่องของคน หน้าที่ของคนหน้าที่ของเราถ้าพูดมันมากเช่นบิดามาดาต้องรู้จักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องรู้จักหน้าที่ตำรวจทหารต้องรู้จักหน้าที่ครูโรงเรียนต้องรู้จักหน้าที่หมอรักษาโรค ก, ก็ต้องรู้จักหน้าที่พระสงองค์เจ้าก็ต้องรู้จักหน้าที่นี่พูดมันมาก มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปหน้าที่ของเราจริงๆควรปฏิบัติเอาเมตผลเบื้องสูงมาไว้ที่เนื้อที่ตัวของเราจึงว่าวัตตะสงสารยืนยาวนานสาหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมคือไม่รู้ธรรมจึงปราถนาเอาอ้อนวอนเอาต่อหลังจากการตายแล้ว ทำบุญร้อยพันหมื่นแสนก็ต้องการสวรรค์นิพพานหลังจากการตายแล้วแต่ความจริงสวรรค์นิพพานมันอยู่เฉพาะหน้าเหล่านี้เองเรื่องสำคัญเรื่องอดีตอนาคตนี่แหละอนาคตอดีตนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอดีตอนาคตแก้ปัญหาไม่ได้ จะแก้ปัญหาได้แต่เฉพาะปัจจุบันเราต้องควรเอาอนาคตอดีตมาไว้กับปัจจุบันให้ได้ขาดหน้าหมายถึงตายแล้วก็ได้หรือหมายถึงจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอาการก็ได้ปรมัต์ซึ่งมันมีอยู่เฉพาะหน้านี่เองเลยเข้าใจเรื่องอดีตอนาคต ให้มาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราเห็นเรารู้ปัจจุบันแล้วเรียกว่าเรามีปกปติเมื่อเรามีปกปติแล้วเรียกว่าเรามีศิลศิลจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาญสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกว้างปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดผมเข้าใจอย่างนี้บัดนี้พอดีผมมานอน ตื่นตอนเช้ามาผมก็เลยมาล้างหน้าแปรงฟันตาปกตินี่แหละแล้วก็มาทำเดินจงกลมคราวนั้นมันไม่มีไฟฟ้าที่คักเอาเทียนไขไปใต้บ่าข้างนนข้างนี้สองทางมีตะขาบบ้านผมเร็วที่เข็ดตัวหนึ่งแล่นควากข้ขขออกมามัน ดังเสียงมันผ่านใบไม้มาผมเห็นผมก็เลยไปเอาเทียนไขาตามแต่เพราะว่ามีทิเข็ดกัดนีมัเก็บผมถูกกับทิเข็ดกัดครั้งหนึ่งตามไปก็เลยไม่เห็นไม่เห็นผมมาเอาเทียนไขกลับไปไว้ที่เดิมมาเดินตอนนี้แหละผมก็เลยรู้กิเลสอย่างยากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดนี่แล้วปกติคนมีปกติจึงจะรู้ ทำอย่างอื่นผมไม่รู้อันนี้เรียกว่ามีปีติตเมื่อจินตยานเกิดขึ้นในช่วงนั้นบัด น, นี้ปีติก็หายไปเป็นปกติบัดเนี้ความคิดก็เป็นปกติมีแต่ใจดีบัด น, นี้ความดีใจไม่มีมีแต่ใจดีใจเย็นนี่แหละเราเห็นคนเฒ่าคนแก่เคยเพื่อ ใจดีคือพระธรรมพระธรรมมันตัวคนนั้นไม่ใช่พระใจมันเป็นพระพระธรรมการพระทำงานคนใจดีทําการทํางานเขเรียกพระธรรมพระกินข้าวก็พระธรรมพระเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็พระธรรมพระซักผ้าก็พระธรรมพระซักเสื้อก็พระธรรมพระถูบ้านล้างจานก็พระธรรม เอาพระธรรมไปไหนมาไหนก็เอาพระธรรมไปด้วยตริงวพระธรรมเราไม่เคยเห็นอันนี้เดียววะถ้าพูดตามอุดมการแล้วทิศทีของผมเนี่ยมีสาทิศมีหูทิศิรจะเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ในน้อยกวัวไดถ้าผิดปกติไปมีปีติ ดีใจเสียใจเดียกว่าบ้าบ้านผมพ่อแม่เคยพูดเคยสอนไว้ว่าคนมีผิดปกติจะผิดปกติข้างดีก็ต า, ามข้างชั่วกว็ต า, ามเดียว่าบบ้าทางไห น, นหรือถ้าไปดูคนเจ็บไข้ปวยหนะักผิดปกติเดียว่าตายใกล้จะตายแล้วว่าอย่า ง, งนั้นความปกตินั้นจริงมีในคนทุกคน ผมก็เลยยืนหยัดออกปกติอันนี้มาไว้ที่เนื้อที่ตัวแต่ไม่ต้องเอามาเนาะมันมีแล้วคนเราไม่เคยเห็นปกติไปสมทานศีลกับพระอันนั้นดีแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นศีลกาจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละ อ, อ, อ, อ, อันนั้นมาเป็นศีลสังคมศีลห้าศีลแปดศีลสิ สิน2อง3 0 0สามรอเป็นสินสังคมเป็นสังคมศินจะรักษาเค่นคัดขนาดไหนก็ตามผมเคยรักษามาเรื่องนี้ได้รักษามาแล้วรักษาสินมาตั้งแต่เมื่อเป็นหนุ่นรักษาโบสถ์สินไม่เคยรู้เลยอย่างนี้แล้กระบวดเป็นพระหนุ่มพอรักษาสินสองยีเจ็ดมีการปองอบัต สับตากันเศ้าเย็นทานอาหารก็ต้องครมอาบัตเป็นอย่างนั้นก็เป็นอาบัตอาบัตหมายถ้งโคมตีเตียนถ้าหากคนไม่ตีเตียนไม่เป็นอาบัตเมื่อมาปฏิบัติอย่างบัดนี้คนทานสนเสนิญจากพันคนแต่ถ้าหากบัณฑิตตัหนิคนเดียวก็เป็นอาบัตเหมือนเดบัดนี้คนทานตัหนิลอยคน นคนบัณฑิตสนเสริญคนเดียวก็ได้เรยวอะเสวันนาจะภาลานางังบัณฑิตานังจัเสวันนาภูซาจะภูซาณิญาณังเอตัมังขลมามุตตังอันนี้เราพูดคําว่าอะเสวันนาจัพาลานางังหมายถึงภาลาและผลพานบันณฑิตานังจะเสวั น, นาภูซาจะเดลือกหมายถึงบัณฑิต ผู้ที่รู้ธรรมเป็นธรรมคำว่าคนทานในที่นี้ก็หมายถึงโมหะโทสะโลภะเราอยู่ด้วยโมหะโทสะโลพะห ร, หรือเราอยู่ด้วยสติสมธิปัญญานี่ทิิที่ว่าเป็นการเห็นการรู้การเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้แหละผมก็เลยเข้าใจทราบ ซึ่งเรื่องสมถกรรมฐานกับวิจานากรรมฐานมันเป็นคนละทางกันมันเป็นคนละเรื่องกันจริงๆทําทำให้ผมเข้าใจอันนี้รู้จักรู้จักรู้แจ้งรู้จริงมันเป็นอารมณ์มามันเป็นพักเป็นพักเป็นพักระดับจิตใจมันสูงขึ้นเป็นพักเป็นพักขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นอันนี้แหละ ที่ผมกล้ายืนยันรับรองว่าทุกคนต้องประสบเรื่องนี้คำว่าประสบเรื่องนี้จุดสำคัญก็เลยมาพูดกันทำความเข้าใจกันเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมทุกคนหมายถึงจุดสูงสุดคำว่าจุดสูงสุดนั้นน่ะตอนเต่าผมรู้กำลังเดินเดินไปเดินมา คลายๆคือเสื้อผ้ากางเกงอะไรก็ตามมันหลุดออไปทั้งหมดเลยพอดีมันหลุดมันเกิดความสุขขึ้นมาสักนิดหนึ่งผิดปกติแล้วแบบนี้ความสุขแบบนั้นนี่ปัญหามันที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังที่สูงสุดจุดสุดท้ายอันนี้ท้าง สำหรับตำราคูบาอาจารย์เคยพูดเคยสอนว่าอาการเกิดดับคนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากไม่รู้สภาพบุคาวะอาการเกิดดับนั้นชีวิตของบุคคลนั้นเป็นใ ห, หม่เสมอบุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นสภาพบุคาวะอาการเกิดดับนั้น ชีวิตคนนี้มีค่ามีราคามากทางวิวย์ชีวิตจริงมีราคามากจึงว่าการปฏิบัติก็ต้องพยายามทำให้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้บัดนี้การบวชก็เช่นเดียวกันบวชมาตั้งร้อยพันต่าถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพปัญาว่าอาการเกิดดับทั้งนี้การบวชของภูหันอานิสงการบวชเป็นหมันเป็นโมคะ บัด น, นี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวรู้เห็นกับผูกค้าว่าอาการเกิดดับอันนี้บุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวนั้นบวชมาเพียงวันเดียวนั้นมีประโยชน์มีค่ามากมีราคามากเพราะชีวิตไม่เป็นทุกเลยนี่อันนี้เนี่ยวิปลาสเกิดขึ้นี่ตรงนี้จึงว่าให้อยู่กับปกติให้รู้ เมื่อจิตใจของเรามันเปลี่ยนไปเรียกว่าอาการเปลี่ยนไปเรียกว่าอาการเปลี่ยนไปจนถึงที่สุดทุกตัวนี้แหละตัวนี้แหลยธรรมชาติยกวสภาพภาวะเดินขเขาเนีมันจะหดเข้าทันทีเลยเมื่อกับเป็นถูกยาเอายาหยุยดติดจริงให้ท้าที่บ้านผมเคยมีท้าผมไปเมืองลาว อาปูนกับยาบีบใส่ผ้าใส่ปิงมันหดตัวเข้าถึงมันมันจืดเขา้าคนทุกคนจะตายต้องเป็นอย่างนั้นหรืออุปมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับมีพ้าที่บาดเราบาดเนื้อเหรอตามปกติเลือดมันออกจากปากบาดมันมาออกปากบาดมันรวมตัวกันเขามพอดีมันเห็นอันนี้เลือดมันจะกลับหัวนเข้าไปสู่สภาพเดิมของมันจริงๆ มันจะหดตัวเขาจริงๆผมก็เลยมาอุปมาเคยเตี๋ยเทียให้ฟังเหมือนเอาเสื้อในร่อนนี่เองมาพกข้างนั้นข้างนี้ตัดตรงกลางดึงไม่เทิงกันเลยอันนี้แหละจุดสูงสุดไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีแม้กูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนเรื่องอย่างนี้เมื่อมาทำความรู้สึก ตัวตื่นตัวรู้สุขใจนึกคิดรู้เป็นปกติมันสามารถพาให้เราเดินมาถึงจุดนี้ได้นี่เรียกว่าทางเดินไปคนเดียวเป็นทางเองทางทางนี้ไม่ซ้ำรอยใครรู้แล้วจะตะโหนดิคติก็ไม่ได้รู้แล้วจะทำลายก็ไม่ได้ ความรู้ความเห็นความเป็นอันนี้เป็นคำพูดคำเตือนเป็นคำกล่าวคำสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องนี้ต้องนำเรื่องนี้มาสอนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไท้ทานรักษาศีลกิ น, จนเจอะไรทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับทำความรู้สึกตัวมันเกี่ยวข้องกับความเป็นปกตินี่เอง เมื่อรู้สึกตัวอยู่เป็นปกติเมื่อเพอในขณะไหนเวลาใดผิดปกติผิดปกติไปข้างดีก็าตามข้างชั่วกว็าตามไม่ใช่ผิดปกติอย่างคนบ้านะผิดปกติข้างดีข้างชั่วกว็าตามพระกรรมาฐานจะเลยที่พัฒนาคนตามเดียกวกับบ้าเท่งนั้นบ้าอันนี้บ้าธรรมะบ้าคนไม่รู้จักธรรมะ หรือบ้าคนรู้ธรรมะรู้แล้วก็เลยลืมปกติรู้แล้วก็เลยลืมไม่สัมผัสไม่แนบแน่อยู่กับอารมณ์มันจึงเป็นอารมณ์เมื่อเรามีความสุขหัวเข้ามาปกติเมื่อเรารู้ปกติกับทวนอารมณ์ตั้งแต่ต้นอารมณ์รูปนามมาจนถึงอาการเกิดดับตัดไปกลับมา ใหอารมณ์สว่างขึ้นภายในจิตใจแกมพัดเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจแจกมพัดยึ่อคุมปกติก็มั่นคงขึ้นมาอันนี้สภาพภาวะอาการเกิดดับการแก้ไขปัญหาเรื่องขัดแย้งภายในใจิตใจก็เลยเข้าใจเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้อันนี้เลยว่าสัจจะแท้ของจริงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันธรรมะอันนี้จึงมีก่อนพระพุทธเจ้ามันมีอยู่แล้วคนปกติพระพุทธเจ้าของเราค้นพบในประเทศอินเดียแล้วก็เลยสอนคนอินเดียคนอินเดียผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์หรือในพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตาม คนใดไม่เลื่อมใจไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันมีหลายสำหนักหลายครูหลายอาจารย์การสอนวิปัสสนาบ้านของเราทุกวันมีกดเช่นเดียวกันมีหลายสำหนักมีหลายครูหลายอาจารย์ทิฏฐิยังไม่เหมือนกันทิฏฐิของผมเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จะสอนให้คนเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่า ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องค่วมจุดติเรียกว่าข่วมตายแต่ค่วมตายเรื่องเนี้ยตายเสียก่อนตายแต่เมื่อยังมีลมหายใจนี่ธรรมะอันนี้มันจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าคนพบแล่าประโยชนเป็นพระพุทธเจ้าจัดสรู้เองโดยชอบว่าอย่างไ น, นอันนี้แหละคิดทว่าเห็นีชอบเห็นถูกต้อง ตามพิถีตัวเองอันนี้แต่คนอื่นนั่นใจจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเรื่องของคนอื่นอย่าเห็นว่าพูดผิดก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ตัวเองมั่นใจว่าจะสอนเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้ให้คนผู้ที่ดีปัญญาฟังคนที่ปัญญาอย่างอ่อนก็เป็นธรรมดาคนที่ผู้มีปัญญาเข้มแข็ ง, ขงก็สามารถที่จะรู้เรื่องนี้ได้ หากไม่รู้ในขณะนี้จวนจะตายหรือหมดลมหายใจต้องประสบเรื่องนี้จริงๆแต่เรารู้ไว้วันนี้มันจะดีฝัวบ้างไหมอันนี้เลยจึงเอาอาดีตอนาคตมาไว้กับปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ต้องมารวมอยู่ในปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ต้องมารวมอยู่ในปัจจุบันการแก้ปัญหาการผัดแด้งภายในจิตใจนั้น แก่ปัจจุบันคำว่าหยุดหรือสงบมันเป็นคำเดียวกันความสงบก็แปลว่ายุดความยุดก็แปลว่าสงบนี่สงบก็แปลว่าเราเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงจึง จ, จ, จะหยุดการศึกษาเราเรียนได้หยุดแล้วก็สงบโดยไม่ต้องการครูอาจารย์ใครจะพูดเรื่องไหนเราฟังได้จดฟังให้เป็นทำให้เป็น ถ้าฟังไม่เป็นทําไม่เป็นมันยากดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ว่าฟังความพะเสียสะเสียตายอยาเสียเงินเสียทองเสียเวลอมเสียเวลานเสียไปอย่างรกรรมฐานกรรมทอกกรรมลอกเอาเงินอันนี้ก็เหมือนกันพระกรรมฐานก็มีกตุดบ้างมีหมักลอดบ้างมีพระ น, น้อยๆปลุกเตกขึ้นมา อันสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องสมมติอันปุกจิตปุกใจนี่มันยังได้จึงว่ามีแต่เพียงพูดคำไม่จริงแกจริงของเขาแต่ไม่จริงของเราสมาทิของเขาไม่ใช่เป็นสมาธิของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิของเขาไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิของเราเราต้องเอาทิฏฐิของเราเอามิจฉาทิฏฐิของเรา เอาสมาธิของเรามาพูดกันจริงๆสําหรับการพูดธรรมะมันต้องกล้ายืนยันรับรองได้เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าท่านตรัส่าตั์ทั้งหลายคือเราสถาพสัตทั้งหลายเหมือนเราสถาพสัตว์ทั้งหลายเป็นสถาคตแต่ไม่ใด้เป็นพระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินได้ฟังตรวจกันแล้วว่า ฐานุคุชังสามะสินาทิถิงเป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยว่าผู้ตักระูตามพระพุทธเจ้ามีศีลได้ทิถิเสมอกันมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายท่านว่าทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราถะทหกนี้รู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นสากลเป็นกลางกลางไม่เป็นของใครเป็นสมบัติของบุคคลผู้ที่รู้คนใดรู้ก็ต้องเป็นของคนนั้นจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เรื่องนี้จึงกล้ายืนยันรับรองได้คำพูดคำเตือนของพระองค์ ไม่พลาดเลยถ้าหากเรารู้แจ้งจริงๆตามผมจริงๆจริงๆแล้วต้องนำมากล่าวมาเตือนกันให้ทุกคนเอามาใช้กับชีวิตเคยสอนมาแล้วเรื่องทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงได้รับรองตัวเองได้อายุเก้าปีถึงสิบสามปีเด็กรู้เลวกว่าคนแก่เพราะเขาไม่มีอารมณ์ บอกว่าทํซาซาทําทจังหวะซาซาเขาก็ทซํซาซาให้รู้สึกตัวนะเขาก็รู้สึกตัวอยู่เท่านั้นเองไม่เกินสามสิบวันเด็กนะทําให้จิตใจเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพความมืดตื้ออยู่ภายในใจถามเขาว่าน้ำหนักร้อยกิโลจะเบาขึ้นบางคนก็สี่สิบกิโลห้าสิบกิโลนี่แหละพูดอย่างนี้ ถามเาเป็นพระได้ไหมเป็นพระได้แล้วบัดนี้อันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของบุคคลผู้ที่รุแต่คนแก่มีนานใต้เวลานา น, านเป็นสามเดือนสี่เดือนเป็นปีก็มีบางคนนะเป็นอย่างนั้นเพราะมันไปติดอยู่เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันมีน้อยบัดนี้เด็กๆมันเอาอดีตอนาคตมารวมไว้กับปัจจุบัน มันก็เลยเข้าใจเลยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นจิตสำคัญเรื่องสัจธรรมเนี่ยคำว่าสัจเนี่ยมันมากมันมากคาว่าสัจธรรมมันมากสัจแ้วของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นอันนี้ก็เป็นสัจที่ผมพูดชี้ทางมานี่ก็เป็นสัจเช่นเดียวกัน แต่ผมมาเป็นทิฏฐิอันนี้เป็นสัจจะที่การเห็นแจ้งการรู้จริงรู้จักรู้จารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นเรียก่ามหายานกวัดดาษญาณอันนี้เป็นพาหานะขนให้คนพ้นไปจากความทุกข์ที่ทางให้คนออกจากทีมืด พ, พระพุทธเจ้าท่านสอนคน สอนคนที่กำลังทำผิดอยู่นั่นแหละให้หวนกับคืนมาทำให้ถูกต้องสอนคนที่ยังไม่สลาดยังไม่รู้ให้เขาสลาดให้เขารู้ขึ้นมาสอนคนที่มีทุกให้ทุกนั้นลดน้อยไปเรื่มหมดไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นซีบิ๊กจึงมีค่ามากที่สุด ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เมื่อผมรู้อย่างนี้ผมว่าผมมีกําไรชีวิตคำว่ากําไรชีวิตนันเราพูดได้คือทำให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีอย่างเรานั่นเหียวกาไรชีวิตชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้กาไรหรอกต่ว่ากาไรได้จากคนอื่นรู้ตามเห็นตามเดียวกาไรชีวิต อันที่ว่ากำไรชีวิตเนี่ยโดยมากมีคนพูดคนสอนกันเรื่อง ก, กำไรชีวิตที่ผมพูดนี่อกำไรชีวิตคือเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นทางพ้นออกจากทุกจริงจริงเรื่องนี้ก็นำไปสอนคนอื่นให้คนอื่นได้เดินทางตามไปเป็นกำไรชีวิตของเราเราได้เพื่อนก็ว่าได้ เพราะคนนั่นก็จะพ้นทุกไปเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแก่ของจริงของไม่จริงไม่เอามาพอนดังนั้นการถือศาสนาต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงจริงถ้าหากไม่เลือกคัดจัดหาออ ก, กับชีวิตจริงจรงแล้วเราจะไม่รู้เรื่องศาสนาศาสนาถีศาสน า, าพาศาสนาเทวดา คนไหว้ผีก็เอาผีเป็นทีพึ่งคนไหว้เทวดาก็เอเทวดาเป็นทีพึ่งมันศาสนาเก่าแก่ศาสนาเชคศาสนาอิสลามศาสนาอะไรมันมากเรื่องศาสนาแต่ว่าศาสนาที่ผมคือตัวคนตัวศาสนาตัวทุกคนนะั่นเป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวรูแจ้งเห็นชิ้ เป็นพุท ธ, ธาศาสนาเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่ผมได้นาธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกลเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยูปรสถานที่มีอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้า และพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระตักษณสาวกพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนอจิตจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้จเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าบอกว่าอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจท่องใสจิตใจว่องไว สามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกก็ต้องให้ได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกพุะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกพุทธะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุท ธ, ธาโลกธรรมเมหิ จิตสังยัชนกะกับปติอโศกังะตังเถมังเอตมังขลมุตมังกิติอย่ญญางนี้เป็นมงคลอันสูงสุดท่านไวยมนุษย์และเทวดาผู้ใดทำแล้วให้มีแล้วไว้ในใจแล้วไปไหนมาไหนโดยไม่มีคุกท่านจึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าทัศทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงได้แห่งนั้น และจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแตถาพุนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแตถาพุนี้ต้องรู้เห็นเป็นมีเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าอันนี้แต่ผมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ผมเห็นภายในจิตใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่จึงว่าพ่อแม่เคยสอน เคยพูดให้ฟังมันต้องเข้าสู่สภาพเหมือนกับแหนมมันหดตัวเข้าในหลังมันในใหญ่ในพันตัวมันไว้เอามาทุกน้ําคิ้นมันหดตัวตึ้งต้องอันนี้ก็เช่นเดียวกันเันจะหดตัวเข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงจงอันนี้เนี่ยสูงสุดควรให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีอันนี้แหละเรียกว่าตายเสียก่อนตาย ยังเมื่อบิีดมไ้าใจเรียกว่าเข้าสารตายก็ได้พระอริยสาวกทุกองผมเข้าใจว่าต้องรู้เรื่องนี้ถ้าหากผิดไปจากนี้เดียวผิดปกติทุกผิดปกติก็เรียกว่าบ้าแต่บ้านั้นมันหลายบ้า